เราบูชาได้เวียนมาบรรตบอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็ทราบดีนะว่าวันนีเน้เป็นวันที่ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลเป็นเหตุการณ์ที่พระอรหันต์หนรรูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายถือวัดเวรุวันในคืนวันเพ็ญ15ค่ําค่ำเดือนสาม และทั้งพันสงรูปนี้ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเนี่ยทรงบวชโ ด, ดยพระองค์เองเนะเรียกว่าเอหิตพกคุอุปสำปทานนี้คือกระ บ, บวนการบวชโ ด, ดยพระองค์เองพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์พ2นสรูปนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเด่นะเมื่อพิจารณาในแง่ที่ว่า9เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจัดสรู้ ในช่วงเวลาเก้าเดือนนะพระองค์ก็สามารถที่จะเผยแผ่สอนธรรมจนกระทั่งมีพระอาหารหันตขีนาศจำนวนนับพันที่จริงพันสอรรูปนี้เนี่ยยังไม่ใช่พระอาหารหันต์ทั้งหมดหรือว่าพระพิสุท์ทั้งหมดในเวลานั้นนะยังมีอีกมากทีเดียวนะที่ ไม่ได้มาประชุมพร้อมกันในโอกาสนั้นเนี่ยอย่างเช่นพิสูจนปัญจวัคคีย์เนี่ยรวมทั้งพริัศัตร์แล้วก็สหายอีกรวมเป็น55รวมกับพิสูจน์ปัญจวัคคีย์ก็60 อันนี้ท่านไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพระโมคคลานะสอนด้บวก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นอดีตชดินสามพี่น้องซึ่งภายหลังก็ได้บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้รวมอยู่ในพ2 5 0รูปยังไม่นับภิกษุพัทวัคคีนะ ซึ่งเดิมก็เป็นมานบ30คนที่บังเอิญมาพบพระพุทธเจ้าที่ไล่ฝ้ายขณะที่กำลังแสวงหาหญิงคนหนึ่งที่ขโมยเอาเครื่องประดับของมีค่าจากมานบกลุ่มนี้ไปผู้นี้ก็ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญพอได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็บวชนี่ก็3า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกันทั้งหมดนี่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวเพียงแค่เก้าเดือนหลังจากการตัดสรุป์พระสัมมาสัมพุทธิยานก็มีผู้คนกว่า 1,300 ที่บรรุอรหัตผลแล้วก็ สามารถที่จะเผยแผ่ทำไปได้อย่างกว้างขวางเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะว่าไปก็เป็นเกิดความรู้นะนะถ้าเรามีความรู้เรื่องแบบนี้ก็ทำให้นะเข้าใจนะความเป็นมาในด้านหนึ่งนะของพระพุทธศาสนานะที่ เราสมาทานรับถือในปัจจุบันแต่ถึงไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเป็นชาวพุทธที่ดีได้นะาหากว่าเราให้ความสำคัญกับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนั่นคือการที่พระเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมที่ชื่อว่าโอวาทปฏติโมคำสอนของพระองค์ในโอกาสนั้นเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญกว่านะถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติถึงแม้จะไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันเพลเดเพิน3ก้าวเดือนหลังจากที่การตัดสือของพพุทธเจ้าเนี่ยทรงเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่า เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรซึ่งโอวาทปฏิโมนี่ก็ได้สรุปนะคำสอนที่เป็นจะเรียกหัวใจนะของพุทธศาสนาในขั้นตอนของการปฏิบัติที่เรียกว่าจริยธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมความจริงเนี่ย ก็มีสามนะอ น, นิจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าสัจธรรมคือความจริงนะที่เราควรรู้ส่วนธรรมะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าจริยธรรมนะคือความสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีงามก็มีสามเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบถ้าเรารู้เพียงแค่สาประการนี้แล้วก็ปฏิบัตินี่เราก็เป็นชาวพุทธที่ดีได้เราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เต็มที่น่นจาจะการเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเราไม่รู้สามประการนี้หรือ รู้แล้วจตไม่ปฏิบัติแม้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นที่มาของวันมาค้าบูชาอย่างที่พูดไปเนี่ยอันนี้ก็เกิดประโยชน์กับเราน้อยยังไม่ใช่เป็นหลักประกรันว่าเราจะเป็นชาวพูทที่ดีได้ถ้าสามประการเนี่ยจริง ก, ก็ไม่ได้เยอะนะ แต่ว่าชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยบางทีไปเข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแค่2องเรียกสันสนว่าะละชั่วทําดีเวลามีคนต่างชาติต่างาศาสนาถามว่าผู้เจ้าสอนอะไรก็ตอบทันทีเลยละชั่วทําดีนันถูกเหมือนกันนะแต่ไม่ครบถ้วนละชั่วหรือเว้นชัวและทําดีก็มีประโยชน์นะมีความสําคัญแต่ว่า อย่าลืมข้อที่สามที่สำคัญมากเลยการชำระ จ, จริตของตัวให้ขาวรอบเพราะว่าจะถ้าเราปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นหลักประกันแห่งความสุขนะแต่ยังช่วยทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากความทุกข์ด้วย ละช่วเว้นชั่วและทําดีนี่มันก็ช่วยทําให้ความทุกข์หรือเรื่องเสืเนื้อร้อนใจเนี่ยมันน้อยลงและทําให้เรามีความสุขไดง่ายขึ้นแต่เรี้ยงหนีทุกข์ไม่พ้นนะทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บความป่วยความพัดพลาก และความตายเนี่ยทำดีแค่ไหนก็ต้องเจอ4ประการเนี่ยถ้าทำไม่ได้ฝึกจิตไว้เลยทำดีแค่ไหนก็ยังทุกข์ทุกข์พ่อแก่ทุกข์พ่อเจ็บป่วยทุกข์พ่อสูญเสียคนรักไม่ใช่แค่พ่อแม่บางทีก็ลูกหลานคนรักเศร้าโศกคล่่าครวญ รวมทั้งเมื่อความตายมาถึงแต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีเนี่ยเริ่มจากการเห็นสัจธรรมความจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาความพัดผ้าสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นตระหนักถึงความจริงและยอมรับเมื่อความจริงเหล่านั้นบังเกิดขึ้น และที่สำคัญคือว่าฝึกจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจไม่จะเป็นข้าวของทรัพยสมบัติหรือผู้คนถ้าฝึกจิตจนปล่อยวางไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่หรือไม่จะว่าเป็นเราเป็นของเรา ไอ้ความทุกข์ก็จะบรรเทาเบาบางยิ่งถ้าไม่มีความยึดพันในตัวตนหรือในตัวกูของกูเลยเนี่ยก็จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปมีทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าไม่เป็นทุกข์นะเพราะว่าตัวกูผู้ทุกข์มันไม่มีอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติ วลจากการฝึกจิตแค่ทำดีเนี่ยัมันยังไม่พอนะมันต้องฝึกจิตด้วยคราวนี้เนี่ยในคำสอนที่ชื่อวอ่าอวัตปติโมกเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสรุปสิ่งที่เป็นแก่นธรรมเพื่อการำดำเนินชีวิตที่ดีงาม แล้วเนี่ยพรงยัจึงได้เนะชีย่ยเห็นถึงอุดมคตินะที่คนเราควรจะมีไอการละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นวิธีการแต่วิธีการเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าเราจะใส่ใจเนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันจะพาไปสู่อะไร ในขณะเดียกันถ้าเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรเราก็จะให้ความสำคัญนะกับการละชั่วทำดีการฝึกจิตให้ผ่องใสพร้อมจะทุ่มเทพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยทำสามประการเนี่ย อุดมปตินะที่มนุษย์เราเนี่ยควรจะมีนะคืออะไรคือนิพพานนะนิพพานเนี่ยคือสิ่งที่เราโดยเพราะชาวพุดเนี่ยควตั้งเข็มมุ่งเอาไว้ว่าเป็นจุดหมายของชีวิตนี่สำคัญนะเพราะว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ดึงดูดความสนใจของเราจนกระทั่งเอามาเป็นจุดหมายของชีวิตอย่างเช่นความมั่งคั่งร่ำรวยความมีอำนาจความยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นจุดหมายนะชีวิตของคนหลายคนเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่า มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเท่ากับนิพพานหลายคนเนี่ยปรารถนาความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่งมีการมีบริษัทบริวารมีอำนาจหรือแม้กระทั่งเพียงแคนะ่ขอให้มีอายุวันนาสุขภัลอาจจะเติมด้วยปฏิพานธธนาสารสมบัติ นี่คือสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยถือเป็นจุดหมายของชีวิตแต่มันไม่ประเสริฐเท่ากับนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยแม้จะให้ความสุขกับเราก็จริงนะแต่มันก็เป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์แม้จะมีเงินนะ มากมายมาหาศาลแม้จะมีอำนาจมากแต่มันก็มีความหวั่นกลัวอยู่ลึกๆว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะสูญหายไปหรือจะมีคนแย่งชิงไปมีเงินมากเท่าไหร่มีอำนาจมากเพียงใดก็กลัวว่าจะหายจะต้องคอยระแวดระวังเพื่อปกป้อง หรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมีมากขึ้นมากขึ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้เราเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะยังไม่ต้องพูดถึงว่าแม้จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ก็ยังอวดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ยางที่ต้องสูญเสียคนรัก ยามที่ลูกหลานคู่ครองต้องล้มหายตายจากไปหรือว่าแม้จะมีสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าก็ยังวั่นกลัวต่อความตายอันนี้เราเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกนะคือมันไม่ได้ให้ความสุข แกเราอย่างแท้จริงยังไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้สุขที่ว่ามาเนี่ยแท้จริงก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันนะมันเป็นตัวทุกข์นะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะต้องเสื่อมต้องดับต้องสลายไปอันนี้เรียว่าเป็นตัวทุกข์นะ นอกจากมันเจอไปด้วยทุกข์แล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์ในความหมายที่เป็นสิ่งที่ทนได้ยากตรงข้ามนิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขที่ประเสริฐแม้ว่าจะไม่ให้ความสนุกสนานหรือว่าสีสันเมื่อการที่ได้เสพ ของอร่อยหรือการได้เสดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความสุขอย่างลึกๆเป็นความสุขลึกและเป็นความสุขที่ยั่งยืนอีกทั้งยังทำให้คนเราเนี่ยออกจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ลองลึกภาพนะเมื่อต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายแต่ว่าใจไม่ทุกข์เลยแม้จะมีเวทนานะรบกวนร่างกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์แม้ลูกแม้คนรัก แม้พ่อแม่จ ะ, ะล่มหายตายจากไปจ่ใจไม่เศร้าโศกแม้ว่าจะถูกต่อว่าด่าทอหรือมีคนมุ่งร้ายใส่ร้ายแต่ว่าใจนี่ก็ยังสงบได้มั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะที่มนุษย์เราปรารถนาเนี่ย แม้จะร่ำรวยเพียงใดนะมันก็หนีความเจ็บความป่วยไม่พ้นแม้จะมีอำนาจเพียงใดก็หนีความพัดพรากสูญเสียไม่ได้และพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้อำนาจเท่าไหร่ความยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้แต่นิพพานเนี่ยนะ มันเป็นหลักประกันว่าแม้ทุกหรือเหตุร้ายที่เรียกว่าอนิจฐามณมหรือโลกธรรมฝ่ายลบเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์เลยอย่างที่เราได้สาธยายบ่อยๆในมงกรสูตรเนี่ยจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีโลกธรรม เกิดขึ้นกับเราเพียงใดนะก็ไม่หวั่นไหวนะจิตใจไม่หวั่นไหวไม่มีความเศร้าโศกมีความสุขเกษมสารเพราะไม่มีทุลีกิเลสแม้แต่เพราะไม่มีกิเลสแม้กระทั่งทุลีอันนี้แหละนะคือคุณแห่งนิพพานนะถึงเท่าใครควร ดูดีๆเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยโอมันคือสิ่งที่เราควรจะนำมาเป็นอุดมัติของชีวิตเลยทีเดียวเรื่องอื่นสิ่งอื่นเนี่ยนะมันก็เป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นเป็นเครื่องมือนะที่ช่วยให้เราสามารถจะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ แต่ว่าถ้าจะออกจากทุกข์หรือถ้าหาว่าใจจะไม่ทุกข์แม้ว่าจะเจอกับเหตุร้ายเจอความพัดพรากเจอความเจ็บความป่วยเจอความตายจิตใจก็ไม่วนไหวยังสงบอยู่ได้ก็มีแต่นิพพานนั่นแหละนะที่จะทำให้เราได้เข้าถึงภาวะนั้นได้เมื่อเรา เห็นคุณค่าของนิพพานหรืออย่างที่คนบาลเรียกว่าเป็นพระนิพพานเลยเนี่ยและถือว่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญของชีวิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองยิ่งกว่าชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งกว่าพรสีประการคืออายุวันณัสุขภัณฑเราก็จะเห็นความสำคัญนะของการทำความเพีย เพื่อให้ทำสามประการนี้นะได้กลายเป็นวิธีช่วตของเราอย่างเข้มข้นละต่อเนื่องนะการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชำระจริตของตนให้คราวรอบซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องการทวนกระแสะกระแสะกิเลส ทวนกระแสสังคมมากทีเดียวเพราะกระแสสังคมเนี่ยบางทีก็ยั่วยุให้เราอยากจะทำชั่วหรือว่าย่อยวนให้เราเนี่ยหันเหจากความดีรวมทั้งทำให้เราประมาทไม่สนใจที่จะฝึกจิตฝึกใจเมือ่อที่หลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยปฏิบัติทำไปทำไม เอาไว้ทำตอนแก่ก็แล้วกันหรือว่าปฏิบัติทอนทำไมเสียเวลาเสียเวลาหาเงินหาทองเสียเวลาที่จะไปเพลิอเพินสนุกสนานปีใหม่ทั้งทีคริสต์มาสทั้งทีต้องไปฉลองกันดีกว่าจะมาปฏิบัติทาไปทรไมอันนี้คือกระแสสังคมที่เชี่ยวกรากนะที่มันทำให้เราเนี่ยถ้าไม่มีความตั้งมั่น แล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขันติเนี่ยความอดกลัน้นอดกลั้นต่อสิ่งยยาวยวนและยยุภายนอกรวมทั้งอดกลั้นต่อความอยากภายในมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทํสามประการนี้ได้ในจริงในคำสอนที่ชโย อ, อวาโตปฏิโมดเนี่ยท่านก็ยังมีคำขยายนะคำขยายซึ่ง เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาทีเดียวอย่างที่พระเจ้าจรัว่าเนี่ยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสํารวจในปาติโมกความรู้ประมาณในการบริภโภค ก, การนอนการนั่งในที่อันสงบความสํารวมในปาติโมกความหมั่นประกรในการทําจิตให้ยิ่งเนี่ยเราจะมองว่าเป็นวิธีการนะก็ได้นะที่ขยายความเพิ่มเติมจากสามประการที่ว่า แต่หมอยดีๆเนี่ยคำสอนที่ว่าเนี่ยยังชี้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะใส่ใจถ้าว่าเราปรารถนาชีวิตที่ดีงามแม้จะไม่ถึงขั้นมุ่งนิพพานแต่ว่าถ้าปรารถนาความสงบเย็นและคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงหาประการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถึงนั้นได้แก่อะไรนะ ผู้คนผู้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยน อ, อยจาผู้คนแล้วก็รวมไปถึงวัตถุสิ่งเสพหรือทรัพย์สินแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ฉันใช้คาว่าที่นั่งที่นอนเนี่ยแล้วประการต่อมาคือ ที่ท่านใช้ว่าปาิโมกเนี่ยปฏติโมกเนี่ยมันจะแปลว่าคําสอนของพระ เ, เจ้าหรือว่าบทบัญญัติหรือข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติก็ได้หรือเราจะพูดรวมๆกว้างๆว่าหมายถึงระเบียบชีวิตก็ได้เพราะว่าสําหรับญาติโยมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปาติโมกที่เรียกว่าอานาปฏิโมกหรือพิคุปฏิโมกที่จะปฏิบัติ แต่ก็ต้องมีระเบียบชีวิตแล้วก็การสัตย์ซายคือเรื่องของจิตทั้ง5อย่างเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อ ง, องเช่นนะผู้คนที่แวดล้อมเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างไรนะอย่างน้อยก็ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายที่จริงก็ไม่ได้ไม่พึงกระทำกับผู้คนอย่างเดียวนะจะรวมถึงชีวิตอื่นด้วยอ่า ผู้คนว่ชีวิตอื่นก็เป็นเพื่อนร่วมโรคที่เราเนี่ยนับพึงเคารพอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายหรือดีกว่านั้นคือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะสมัยนี้ก็ จ, จะไปถึงการเคารพสิทธิของผู้คนแต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องผู้คนอย่างเดียวนะเราย่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสบวัตถุ ท่านสอนว่ายัางไงท่านสอนว่าให้รู้จักประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ใช่แค่บริโภคทางปากแต่บริโภคทางตาก็รวมด้วยบริโภคทางหูแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวที่เราต้องรู้จักประมาณเทคโนโลยีข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารนี่ก็ต้องรู้จักประมาณในการเสพในการบริโภคด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งเสพแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะที่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการเสพในการใช้เนี่ยมันก็สร้างปัญหาได้ อย่างเช่นอาหารเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยมันก็จะเกิดความเจ็บความป่วยและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแค่อาหารหรือสิ่งเสพทางปากนะเพรมันมีอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งอบายมุครูปแบบต่างๆยุคนี้เป็นยุคที่สิ่งเสพเนี่ยมันมีเยอะมากเฉพาะสิ่งเสพทางตานี่ก็ มากมายมาหาศาลเฉพาะสิ่งเสพทางปากนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกเยอะเยอะเหลือเกินแล้วก็เข้าถึงง่ายเสพง่ายแค่อยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนี่ก็สั่งมามาปลนเปลือยได้อาหารชนต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เข้าถึงง่ายแม้แต่เหล้ายาเสพติดเนี่ย เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เวลาไม่เกินเจนาทีเจนาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงล้านเล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทั่วหัวระแหงแล้วมันก็สะดวกง่ายและเดี๋ยวนี้คนก็มีรายได้มากนะแม้กระทั่งของกินเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้มันก็มีมากมายให้เลือกให้เสพเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติได้เรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนเนี่ยก็เจ็บป่วยได้โรครายเพราะความไม่รู้จักประมาณในการกินนี่ไม่นับนะข้อมูลข่าวสารนะที่เสพกันทางโซเชียลมีเดียไม่นับเกมออนไลน์นะที่เสพกันจนกระทั่งไม่รู้วันไม่รู้คืน นความรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เราต้องรู้จักคำว่าพอรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนอกจากผู้คนแล้วก็สิ่งเสพสิ่งบริโภคแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะหรือที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยที่ท่านบอกว่าเนี่ยเราควรนอนควรนั่งในที่ทัส่ส ง, งัด อันนี้ฉันหมายถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าความเป็นอยู่ของเราควรอยู่ในที่ที่มันเป็นสัพพายะเป็นปฏิรูปประเทศสงังหารในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่มีเสียงรบกวนอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงสงังหารจากสิ่งเยาหยวนสิ่งเยาหยวนบางอย่างนก็ไม่มีเสียงดังนะแต่ว่า มันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่เป็นสุขได้เพราะถูกร่อเร า, รายา่วหยวนการอยู่ในที่ที่เป็นที่เป็นรมณีเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะรมณีคือร่มรื่นเกื้อกูลต่อความเจริญ ง, งอกงามทางจิตใจแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแต่ถึงแม้สมัยนี้มันอาจะจะยากหน่อยนะเพราะคนต้องอยู่ในเมืองนะ เร า, า จ, จะอยู่ในที่ที่มันจะมีเสียงอึกระทึกแต่เราก็ไม่ควรจะเพิ่มความอึกทึกให้มากขึ้นอย่างเช่นบางคนนี่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเปิดโทรศัพท์มือถือค้างเอาไว้พร้อมจะให้โทรศัพท์มารบกวนนะเวลาอันสงบสงัดของเรานี่เรารู้จักนะรู้จักปิดโทรศัพท์มือถือซะบ้ า, บางมันถึงจะได้ว่าอยู่ในที่นอนหรือนั่งในที่อันสง่าง ระเบียบชีวิตก็เหมือนกันนะต้องมีระเบียบชีวิตสำหรับคาราว่านี่ก็ขั้นพื้นฐานคือศีลหามากกว่านั้นคือกุศลกรรมบท10นคนเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นระเบียบชีวิตที่เราต้องเคารพปฏิบัติตามอันนี้อรวมถึงระเบียบของสังคมด้วยเราก็จะต้องรักษา ให้ระเบียบของสังคมเนี่ยคงอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม4ประการที่ว่าเนี่ยน่ยสุดท้ายเนี่ยที่สําคัญคือข้อหาเนี่ยคือจิตนอกจากเรื่องของเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างถูกต้องบริโภคเข้าของเครื่องใช้อย่างเหมาะสมรู้จักประมาณแล้วก็รู้จักอยู่ในสภาพแวด ล, ล้อมสิ่งแวด ล, ล้อมที่ส ง, งัดเกลือกูลแล้วก็คารพกฎระเบียบ หรือมีอะระเบีบชีวิตแล้วเนี่ยระการสุดท้ายสำคัญเนี่ยคือเรื่องของจิตต้องมันฝึกจิตฝึกจิตดูแลใจของตัวนะให้เป็นปกติแล้วก็ฝึกด้วยนะเพราะว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะยิ่งถ้าปรารถนาความสุขนะมันต้องฝึกจิต ถ้าไม่ฝึกจิตแล้วนี่ก็ยากที่จะมีความสุขแล้วถ้าฝึกจิตให้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะพาเราห่างไกลจากความทุกข์แล้วเข้าใกล้พันธิพานยิ่งขึ้นเรื่อยๆในถ้าเราปรารถนาชีวิตที่ผาสุบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนีแม้จะไม่ได้ถึงขั้นนิพพานเนี่ยห้าประเด็นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าเราเกี่ยวข้องถูกต้องไหมหนึ่งผู้คนสองวัตถุสิ่งเสพ สสิ่งแวดล้อมสระเบียบชีวิต5จิตถ้าเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอามาเช็คลิสต์ได้เลยนะเวลาจะทบทวนชีวิตของเราเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปถูกต้องไหมเนี่ยก็เอา5ประการนี่แหละมาเช็คมาดูมาตรวจสอบว่าเราเกี่ยวข้องเนี่ยกับ5ประการนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมไหมยิ่งถ้าเรามุ่งชีวิตที่ผาสุข จกนกระทั่งได้เข้าถึงปณิพนั์เนี่ยห้าประการเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจอันนี้ก็เียเป็นส่วนเสริมส่วนขยายนะของ3ข้อแรกเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลอยถึงพร้อมกันชะรัตจิตของตัอยขาวรอบอันนี้ก็เียเป็นสูตรก็ได้นะเป็นสูตรที่จะนำพาชีวของเราเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบเย็นแล้วก็ เป็นสิ่งที่จะนำพาเราเนี่ยเข้าใกล้และเข้าถึงพระ น, นิพพานในที่สุดังนั้นวันมาฆบูชาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทบทวนนะว่าการดำเนินชิองเราเนี่ยมันได้เป็นไปในทางที่เหมาะสมไหมเพื่อที่เราจะได้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะสมกับที่เป็นชาวพุทธหรือว่าสมกับที่เป็นมนุษย์ โดยเพพาะถ้าเราได้เข้าใกล้หรือเข้าถึงพระ น, นิพพานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์เลยทีเดียวเอาคำที่พูดตอนนี้นะกราบระ